สวัสดีคุณผู้ฟังพระเจอผีทุกท่านด้วยนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอกระดาบขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็การกด s u b c r i b e เนี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นการคอมเมนต์ด้วยรวมทั้งการแชร์แล้วก็การกดถูกใจคลิปของเราด้วยนะคะ หลังจากที่บีเองไม่ได้นำเรื่องราวของอาจารย์ทอเลียงพิบูรณ์มาอัพลงไปในช่องพระเจอพีของเราก็ค่อนข้างจะนานพอสมควรแล้วค่ะวันนี้ก็เลยขออนุญาตนำเรื่องมาราสนาจากหนังสือกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเล่มที่หนึ่งมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้กันค่ะ วันหนึ่งข้าพเจ้าได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนรุ่นพี่จากฝั่งทนบอกว่าอยากจะให้ไปพบกับเรื่องที่ประหลาดมาสจัลด้วยมีนายทหารใหญ่ท่านหนึ่งมีความประสงค์จะให้ข้าพเจ้าไปพบกับท่านเจ้าคุณเจ้าอาวาสวัดหนึ่งทางฝั่งทนบุรีเมื่อข้าพเจ้าทราบความประสงค์ของเพื่อนรุ่นพี่แล้วก็ตกลงนัดวันเวลาที่จะไปครั้นเมื่อถึงวันนัด ก็จำได้ว่าเป็นวันเสาร์ข้าพเจ้าจึงได้เดินทางโดยมีนายทหารผู้นั้นพร้อมด้วยภรรยาของท่านเป็นผู้นําทางและรถของข้าพเจ้าพร้อมทั้งคุณพี่กับภรรยาเป็นผู้ตามวันนั้นเราได้ไปถึงวัดและก็ขึ้นไปบนกุฏิท่านเจ้าคุณแล้วก็ได้พบท่านผู้มีเกียรติหลายท่านมาคอยพบท่านเจ้าคุณอยู่ก่อนแล้วปรากฏข่ว่าท่านเจ้าคุณไม่ได้อยู่ในที่นั้น ม่อ่าแล้วก็ได้ทราบว่าท่านได้ลงไปฉันเพนที่สาลาเนื่องในวันเกิดหรือว่างานมงคลอะไรข้าพเจ้าก็จำไม่ได้เราได้รับการแนะนำให้รู้จักกับท่านที่รอคอยท่านเจ้าคุณจเจ้าอาวาสเมื่อได้สนทนาก็ได้ทราบนะว่าท่านภูมิเกียรตเหล่านั้น ได้ติดตามอ่านหนังสือกฎแห่งกรรมหรือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมาแล้วทุกท่านข้าพเจ้าตอบขอบคุณที่ท่านได้สนใจในหนังสือของข้าพเจ้าแล้วก็ได้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีบนกุฏิท่านเจ้าคุณก็มีพระพุทธ ร, รูปเป็นจำนวนมากท่านผู้ที่นําข้าพเจ้าไปนั้นได้ชี้ให้ดูพระพุทธ ร, รูปสองอ ง, องค์ขนาดคนยืนสองข้างสูงต่าเท่ากันท่านได้อธิบายว่า พระพุทธรูป2องค์นี้แหละผมมีความประสงค์จะให้มารู้แล้วก็ให้มาเห็นและทราบประวัติจากท่านเจ้าคุณหลวงพ่อผมจะเล่าเองก็คงได้เนื้อความไม่ละเอียดนักอยากจะให้มาพบแล้วก็ได้ทราบจากปากคำของหลวงพ่อนำไปนึกถึงก็คงจะได้เรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อไปข้าพเจ้าตอบขอบคุณที่กรุณาสละเวลาขึ้นมาบนกุฏิแล้วก็ได้เห็นประโยชน์ของส่วนรวม เมื่อข้าพเจ้าได้ก้มลงกราบนมส ก, การพระพุทธรูปทั้งสองแล้วก็ได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนด้วยความเคารพแล้วก็ทราบถึงความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็แฝงอยู่ในองค์พระท่านไม่ชา้าท่านเจ้าคุณเจ้าอาวาสก็ได้ขึ้นมาบนกุฏิเมื่อได้รับคำชี้แนะแล้วข้าพเจ้าก็ได้นมส ก, การถามด้วยความเคารพถึงเรื่องของพระพุทธรูป ท่านเจ้าคุณได้กรุณาชี้แจงให้ทราบแล้วก็ได้อธิบายถึงประวัติการเป็นไปเป็นมาของพระพุทธรูปสององนี้แล้วก็เมื่อย้อนหลังจากวันที่ข้าพเจ้าได้ไปพบสนทนากับท่านเจ้าคุณประมาณ 4-5 หปีก็ได้มีผู้นำพระพุทธรูปท่อนล่างมาถวายท่าน พระพุทธรูปองค์นี้ได้ถูกเลื่อยเป็นสองท่อนส่วนท่อนบนเนี่ยเขานำไปขายให้ฝรั่งท่านเจ้าขุนได้รับพระพุทธรูปท่อนล่างไว้ด้วยความสังเวชใจที่มนุษย์ในยุคนี้ช่างมีจิตใจโหดร้ายแม้พระพุทธรูปเป็นที่เคารพสักการะบูชาของชาวไทยทั้งชาติก็ยังทำลายเพื่อเห็นประโยชน์ส่วนตน ไม่ได้นึกถึงเวรกรรมบุญบาปที่จะตามสนองมิใหญ่ที่จะมีผู้โกรธแค้นเมื่อใดที่ใครรู้ใครก็ด่าใครรู้ใครก็แช่งมนุษย์ใจร้ายเหล่านั้นจะอยู่ด้วยความสุขได้อย่างไรท่ามกลางคนสาบแช่งเมื่อท่านจะขุนได้พระพุทธรูปท่านล่างมาแล้วท่านก็ได้จัดการบูรณะโดยจัดการหล่อพระเศียรติดต่อเชื่อมส่วนบนให้สมบูรณ์เป็นองค์พระตามเดิมแล้วก็ตั้งไว้เคารพบูชาบนกุฏิท่านแต่แล้วต่อมาไม่นาน ท่านผู้นำพระพุทธรูปส่วนล่างมาถาวายนั้นก็ได้นําพระพุทธรูปส่วนบนมาถาวายท่านอีกแต่ว่าท่อนล่างท่านก็ได้บูรณะสะาะหล่อส่วนบนให้เป็นองค์สมบูรณ์แล้วแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเมื่อได้ส่วนบนมาท่านก็ต้องบูรณะส่วนล่างเชื่อมติดต่อกับส่วนบนให้สมบูรณ์เช่นเดียวกัน ฉนั้นก็เลยเกิดเป็นพระพุทธรูปยืนสององค์ยืนเด่นอยู่บนกุฏิท่านเจ้าคุณในหมู่พระพุทธรูปจำนวนมากที่ตั้งไว้บูชาผู้ที่ได้ขึ้นไปบนกุฏิท่านเจ้าคุณก็จะพบเห็นทุกท่านสำหรับประวัติของพระพุทธรูปยืนทั้งสององค์นี้นะคะมีว่าทางพระนครเนี่ยมีผู้นำพระพุทธรูปมาเลื่อยท่อ น, อนล่างออก แล้วก็นำเอาท่อนบนเนี่ยไปขายให้ฝรั่งซึ่งเข้ามาทํางานในประเทศไทยผู้หนึ่งเพื่อสะดวกที่จะนําออกนอกประเทศถ้าจะนําไปทั้งองค์ก็ไม่สะดวกเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเลื่อยท่อนบนไปขายแล้วท่อนล่างไม่สนใจก็ทิ้งไว้ข้างบ้านนั่นแหละคนข้างบ้านเห็นแล้วก็รู้สึกสังเวชใจยิ่งนักก็เลยนํามาถวายท่านเจ้าคุณที่ท่านผู้นี้เคารพแต่ว่าเหตุการณ์ไม่ได้สิ้นสุดลงเพียงแค่นี้นะคะต่อมาเวลาผ่านไปค่ะท่านาวันหนึ่งผู้ที่เลื่อยพระพุทธรูปเนี่ยไปทุระ ในซอยแห่งหนึ่งที่เขตพระนครเมื่อรถที่นั่งไปนั้นออกจากซอยก็ชนเข้ากันกับรถอีกคันหนึ่งอย่างแรงรถนี่พังยับเยินลงที่ปากซอยค่ะทำให้ผู้ที่ฆาตกรรมพระพุทธรูปผู้นั้นนั่งมาด้วยได้รับบาดเจ็บสาหัสหนังหัวทลกออกมาข้างหน้า ด้วยความเจ็บปวดทําให้ร้องครวญครางออกมาอย่างน่าเวทนาทําให้ผู้ที่รู้เห็นเหตุการณ์ครั้งนั้นอดสังเวชใจแล้วก็สงสารไม่ได้เพราะว่าเห็นกิริยาแสดงถึงอาการปวดร้าวไม่สามารถจะทนอยู่ได้ดิ้นรนทนทุกข์ทรมานทั้งเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ได้พยายามช่วยเหลือผู้บาดเจ็บสาหัสผู้นั้นเพื่อรีบนําส่งโรงพยาบาลค่ะคนป่วยนิบิดตัวหน้าเบี้ยวบดุด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวร้องให้ครวญครางเหมือนเด็กทารกพิษบาดแผลสาหัส ทำให้คลั่งเพ้อร้องออกมาบอกว่าผมเจ็บปวดทนไม่ไหวแล้วขอกรุณาเอาเลื่อยมาเลื่อยหน้าอกออกทีคนป่วยร้องย้ำคำว่าขอเลื่อยหน้า อ, อกทีผมทนไม่ไหวแล้วเลื่อยหน้าออกทีเลื่อยหน้าอกผมออก ท, อออกออกทีทนไม่ได้มันทรมานเหลือเกินณนะเวลานั้นนะคะผู้ที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยต่างก็รู้แล้วล่ะค่ะว่าบุคคลเคราะหร้ายคนนี้เนี่ยต้องทนทุกทรมานเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสจากขัวหัวใจจนน้าตาไหลาอาบหน้า ทังกิริยาท่าทางเอ่ยการดิ้นรนเอ่ยตลอดจนหน้าตาที่บิดเบี้ยวก่อนร้องคำแรกก็แผ่วเบาลงแล้วก็ค่อยๆดังขึ้นจนที่สุดก็ตะโกนออกมาไม่มีใครรู้ไม่มีใครทราบค่ะว่าคำพูดที่ตะโกนออกมานั้นหมายความว่าอะไรบางคนเนี่ยจะเข้าใจว่าเป็นเพราะว่าความเจ็บปวดเพ้อคลั่งอยากให้เลื่อยกายออกสองท่อนเพื่อจะได้ตายเร็วขึ้น เพื่อให้พ้นความทุกข์ทรมานแล้วก็บางคนค่ะอาจจะคิดว่าคงจะเป็นเพราะว่าพิษบาดแผลนี่แหละทำให้หมดสติแล้วก็พูดอะไรออกมาโดยไม่รู้สึกตัวเพราะฉะนั้นนะคะคำพูดจึงไม่มีความหมายสำหรับผู้ที่ยังไม่รู้เบื้องหลังชีวิตของบุคคลผู้นี้เมื่อได้เห็นอ่าเมื่อได้เห็นแล้วก็ได้ยินก็เพียงแค่ให้ความสงสารความสมเพชที่บุคคลผู้นี้ได้ประสบเคราะห์กรรมแล้ว ความรู้สึกก็ผ่านไปไม่รู้สึกแปลกประหลาดอันใดเพราะว่าบางท่านที่ใจอ่อนผ่านมาก็ไม่กล้าดูค่ะไม่กล้าฟังคํำอดรวนของคนป่วยเพราะว่ากลัวจะเป็นลมเมื่อเห็นเลือดก็ต้องหันหน้าหนีไปทางอื่นแล้วก็รีบผ่านไปหากมีผู้ติดตามไปรู้เบื้องหลังบุคคลผู้นี้แล้วล่ะก็คงจะตื่นเต้นนะคะกับคําพูดที่เขย่าวขวัญเสียดแทงเข้าไปในความรู้สึกเพราะว่าในชีวิตของผู้สร้างกรรมของบุคคลผู้นี้เนี่ย ที่สุดก็หนีกรรม ท, ที่ตนเองประกอบขึ้นไม่พ้นทำให้น่าคิดนะคะว่าในชีวิตของบุคคลทำชั่วทั่วไปหากได้มีโอกาสได้ติดตามชีวิตถึงบั้นปลายของบุคคลผ <S <S <ๆ>ู้นี้ก็คงจะพบเห็นสิ่งแปลกๆแล้วก็สิ่งมหัศจรรย์อีกมากมายค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นครั้งนั้นได้ทราบถึงฝรั่งผู้ได้ซื้อพระพุทธรูปท่อนบนไว้เมื่อได้มีผู้เล่าให้ฟังเหตุเกิดขึ้นแก่ผู้เลื่อยพระพุทธรูป ฝรั่งผู้นี้ก็เกิดตกใจกลัวแล้วค่ะวาดภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเองต่อไปก็เลยรีบให้ไปไปพบท่านผู้ที่นำพระพุทธรูปส่วนล่างไปถวายท่านเจ้าคุณเจ้าอาวาสแล้วก็หวังจะมอบพระพุทธรูปส่วนบนที่ตัวเองได้เสียเงินซื้อมาด้วยราคาสูงหวังจะส่งไปประเทศของตัวเอง ก็ต้องเลิกล้มความคิดรีบนำมามอบให้ท่านผู้นั้นเพื่อจะได้นำไปถวายท่านเจ้าคุณประกอบกับท่อนล่างให้เป็นองค์พระสมบูรณ์ตามเดิมแล้วจึงทราบว่าท่อนล่างเนี่ยได้ถูกบูรณะแล้วก็อยากจะนำไปให้พ้นบ้านเพราะว่าความกลัวและบอกว่าเข็ดแล้ว ไม่ขอแตะต้องพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อีกต่อไปทั้งได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในบ้านให้ฟังนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องของฝรั่งที่เล่าให้กับผู้ที่นำพระพุทธรูปท่อนล่างไปถวายท่านเจ้าคุณในคราวที่แล้วเนี่ยฟังดังนี้นะคะเรื่องราวก็คือนับตั้งแต่แกได้นำพระพุทธรูปครึ่งองค์ที่เลื่อยครึ่งท่อนมาไว้ในบ้าน เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นในความรู้สึกนะแต่ก่อนที่จะนำพระพุทธรูปเข้ามาในบ้านในครอบครัวของเขาเนี่ยอยู่ด้วยด้วยความสุขบุตรภรรยามีแต่ความสนุกเกบิกบานร่าเริงแต่ว่าเมื่อนำพระพุทธรูปครึ่งท่อนบนเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วก็เปลี่ยนแปลงภาพตรงกันข้ามค่ะภายในบ้านนี่ก็เกิดปันป่วนเดี๋ยวคนนั้นป่วยเดี๋ยวคนนี้เจ็บเดี๋ยวคนนั้นไม่ว่างเว้นจากโรคภยัย ความรู้สึกมีแต่ความเคร่งเครียดจิตใจไม่มีความสบายอยู่ตลอดเวลามองดูอะไรก็ไม่ถูกอกถูกใจไม่ถูกตากันตลอดเวลาสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดก็เกิดสิ่งที่ไม่น่าจะมีก็มีนะคะมีแต่ความทุกข์หนักอยู่ในหัวใจตลอดเวลามาเลยทีเดียว พอมารู้ข่าวว่าคนที่เลื่อยพระพุทธรูปไปขายให้แกเนี่ยก่อนตายร้องตะโกนให้เลื่อยหน้าอกออกก็เกิดความตกใจหวาดหวัน่นนึกถึงความปั่นป่วนในครอบครัวแล้วก็นึกถึงพระพุทธรูปองค์นี้คงจะต้องให้โทษแน่ๆเมื่อยิ่งคิดก็ยิ่งเห็นชัดเจนขึ้นและก็บัตรนี้ห่ะแกก็ยิ่งหนักใจเมื่อได้รับความตำหนิติเตียนในการงานว่าบกพร่องไม่เหมือนแต่ก่อนทางการต่างประเทศของแกก็มีคำสั่งนะฮะว่าให้แกเนี่ยกลับไปที่ประเทศของตัวเองด้วย ทีนี้แกก็เชื่อแน่นอนขอะว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเช่นนี้คงเป็นด้วยอภินิหารของพระพุทธรูปที่ซื้อมาอย่างไม่มีข้อสงสัยแกก็ไม่ยอมนําพระพุทธรูปนี้ไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นท่านผู้นั้นจึงรับพระพุทธรูปที่ฝรั่งฝากมาถวายท่านเจ้าคุณแล้วท่านก็นํามาบูรณะให้สมบูรณ์อีกองคหนึง่งดังที่ข้าพเจ้าได้เห็นในกุฏิท่านส่วนเรื่องอภินิหารของพระพุทธรูปนี้ข้าพเจ้าได้พยายามพิจารณาหาเหตุผลคิดแล้วคิดอีกว่า องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นท่านมีแต่ความเมตตากรุณามุ่งหวังจะนำสัตว์โลกทั้งหลายให้พ้นภูอเขะห่วงมหันตภัยของทุกขหลุดพ้นเวียนว่ายตายเกิดไปสู่ความสงบสุขพระองค์ไม่เห็นว่าจะเป็นโทษเป็นภัยกับผู้ใดมีแต่ทรงสั่งสอนให้ประกอบแต่กรรมดีแต่ว่า เหตุได้ละจึงให้โทษแก่ผู้ทําลายพระพุทธรูปข้อนี้เห็นจะเป็นเพราะว่าพวกเทพหรือว่าเทวดาอารักษ์หรือวิญญาณต่างๆที่ได้รักษาองค์พระพุทธรูปเป็นผู้คอยคุ้มครองเกิดความเครียดแค้นที่มีมารศาสนามาทําลายพระพุทธรูปซึ่งก็เป็นที่เคารพบูชากราบไหว้ของมหาชนที่นับถือทั่วไปก็เป็นได้นะคะนี่ก็เป็นไปตามกฎแห่งกรรมใครจะทําดีทําชั่วก็ย่อมเกิดผลแม้พระท่านจะไม่เอาโทษธรรมชาติของหลักกรรมย่อมไม่มี การยกเว้นใดๆทั้งสิ้นนะคะเมื่อได้พยายามนึกนะคะว่าพระพุทธศาสนาพิจารณาดูทุกแง่ทุกมุมก็มีแต่ให้ความร่มเย็นเป็นสุข ด้วยความเมตตาการุณาปราณีไม่ว่าจะเป็นคนดีคนชั่วและสัพสัต ท, ทั้งหลายทั้งปวงก็ตามมุ่งหวังสอนให้ประชาชนชาวโลกประกอบกรรมดีสละละทิ้งความชั่วมิได้ให้ร้ายเป็นภัยให้โทษแก่ผู้ใดก็เลยทําให้นึกถึงครั้งเคยได้อ่านบันทึกเรื่องของคุณพานีรัตนสมบัติเป็นหนังสือพิมพ์แจกในงานศพเมื่อวันที่4พฤษภาคม2 5งพั้าพระเจ้าก็มีความสนใจเรื่องที่คุณพานีหมดลมหายใจไปแล้วถึง3ครั้ง ตายอย่างอวัยวะส่วนต่างๆหยุดทำงานตัวเย็นชืดแต่กลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาค่ะและด้วยเหตุการณ์ที่ได้ประสบมาในระหว่างจิต ด, ดับ ได้เข้าไปในเขตดินแดนเมืองสวรรค์โดมีรถที่สวยงามมีผู้คนแวดล้อมพาไปและก่อนที่คุณพานีจะหมดลมนั้นก็รู้ล่วงหน้าทุกครั้งด้วยแต่สิ่งที่ประทับใจข้าพเจ้าในหนังสือฉบับนี้ก่อนตอนต้นที่คุณพานีได้ตัดสินใจจากประสบการณ์ในนิมิตเปลี่ยนใจจากการนับถือาศาสนาอื่นมาเป็นาศาสนาพุทธด้วยแรงอธิษฐานข้าพเจ้าได้อ่านแล้วก็เกิดความสนใจในชีวิตอันประหลาดมหัศจรรย์ของคุณพาณีเป็นอย่างมาก ก็มีความรู้สึกว่าเอ๊มีความเลื่อมใสยอยากจะติดตามเรื่องนี้ข้าพเจ้าก็ไม่สามารถจะติดตามเรื่องนี้ได้เพราะว่าข้าพเจ้าไม่เคยรู้จักกับคุณกับญาติของคุณพานีพอที่จะให้ความกระจางแจ้งในเรื่องนี้แต่แล้วต่อมาเมื่อเทศกาลกระถินปี2509 ก็ได้ไปทอดกรถิ่นที่วัดประดูทรงธรรมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีผู้แนะนําให้รู้จักกับคุณสายรัตนสมบัติซึ่งข้าพเจ้าไม่เคยรู้จักท่านผู้นี้มาก่อนเลยนับว่าเป็นโชคดีโดยบังเอิญข้าพเจ้าเรียนถามถึงคุณพาณีตามที่ข้าพเจ้าได้อ่านในหนังสือบันทึกที่พิมพ์แจกแล้วก็อยากทราบนอกเหนือกว่านั้นโดยคุณสายเนี่ยเป็นผู้ที่คุยสนุกได้กรุณาเล่าให้ฟังในเวลาตอนเลี้ยงอาหารเที่ยงบนศาลาวัดประดู่ทรงธรรม ข้าพระเจ้าจะขอย่อต้นเรื่องก็คือการเปลี่ยนาศาสนาคุณพานีเพื่อจะชี้ให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาไม่เป็นพิษเป็นภยัยให้โทษกับใครการที่คนใจชั่วทําลายพระพุทธรูปที่ได้รับภยัยก็เป็นไปตามกฎแห่งกรรมนะคะใครทําดีทําชั่วย่อมหนีไม่พ้นกรรมที่ทําไว้แน่นอนคุณพานีเคยอยู่โรงเรียนกินนอนมาแต่เด็กได้ถูกอบรมให้นับถือาศาสนาอื่นไปด้วยเมื่อกลับมาอยู่บ้านก็แยกเป็นสองสาศาสนาคือมีพุทธแล้วก็ ศาสนาที่นับถือในโรงเรียนมาในอยู่มันมาอยู่ในบ้านเดียวกันแต่ว่าศาสนาพุทธนี่น เ, นเป็นศาสนาเสรีค่ะไม่ได้รังเกียจใครจะถือศาสนาใดก็เข้ากันได้ให้ความรักใคร่เอ็นดูเห็นอกเห็นใจเช่นเดียวกันไม่ลบหลู่ดูหมิน่นศาสนาอื่นเพราะเห็นว่าทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดี แต่ว่าคุณพานีไม่สบายใจเพราะว่าปัญหาเรื่องาศาสนาที่ต้องแยกกันนับถือในบ้านเดียวกันตัดสินใจไม่ถูกละหาที่นี้เพราะว่ามองเห็นดีทั้งพุทธทั้งอื่นศาสนาอื่น แต่เมื่ออยู่บ้านเดียวกันก็ควรจะนับถือาศาสนาเดียวกันถูกไหมจะได้มีจิตใจร่วมสามัคคีสนิทเพื่อความสุขทางครอบครัวค่ะถ้าคนละาศาสนาจะทําอะไรมันก็ต้องคอยระมัดระวังเกรงว่าจะกระเทือนจิตใจกันก็ต้องคอยถนอมน้ําใจกันตลอดไปคุณพานีคิดว่าถ้าถือพุทธก็ควรจะถือกนหมดทั้งบ้านไม่ควรจะแยกกันถือแต่ก็คิดไม่ตกเหมือนกันว่าเอจะชวนคนในบ้านให้นับถือาศาสนาอื่นได้ยังไงหรือตัวเองจะร่วมนับถือพุทธด้วย มีอยู่คืนหนึ่งค่ะก่อนเข้านอนก็เลยตัดสินใจว่าคืนนี้เนี่ยจะขออธิษฐานให้พระพุทธเจ้าแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะศาสดาของศาสนาอื่นเนี่ยขอให้มาแสดงอภินิหารต่อสู้กันถ้าฝ่ายใดชนะก็จะตัดสินใจเด็ดขาดยอมนับถือศาสนานั้นไม่มีข้อสงสัยใดๆฉะนั้นก่อนนอนก็เลยบูชาอ้อนวอนบอกกล่าวถึงความประสงค์ ทั้งฝ่ายอของาศาสดาอื่นแล้วก็ฝ่ายพระพุทธเจ้าตามที่ตนเองประารถนาไวา้เมื่อตัดสินใจเด็ดขาดแล้วนะคะในคืนนั้นก่อนสว่างก็เกิดฝันเห็นพระสงฆ์สูงอายุห่มจีวรเก่าๆมายืนเทศอยู่หอวนอนบอกดูก่อนศีกาการที่พระสงฆ์จะให้าศาสดาอื่นกับพระพุทธเจ้ามาแสดงอภินิหารหรือใช้กำลังชิงชัยต่อสู้กันนั้น ทางพระพุทธศาสนาไม่มีการสอนให้ต่อสู้ผิดศีลศาสนาพุทธมีแต่สอนให้มีความเมตตากรุณาสอนให้จิตใจสงบจะเกิดสุขสอนไม่ให้เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นสอนให้ละความชั่วสร้างความดีให้ทำบุญสร้างกุศลเป็นทางละความโลภโกรธหลงนำไปสู่ความร่มเย็นศาสนาพุทธมีแต่ชี้ให้ทางปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธองค์ เพื่อจะกำจัดกิเลสตัณหาฟอกจิตใจให้บริสุทธิ์เมื่อหลุดพ้นจากความทุกข์มีเกิดแก่เจ็บตายเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์พอรุ่งเชา้าค่ะคุณพานีก็ได้เล่าเรื่องนี้ให้คุณแม่ฟังบอกว่าในฝันได้พบพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาได้บอกถึงศาสนาพุทธว่าไม่มีการต่อสู้มีแต่ความสงบแต่ว่าศาสน า, าอื่นไม่ปรากฏว่ามาเข้าฝันคุณแม่ก็เลยบอกวัดพระท่านมาโปรดแล้วเป็นนิมิต ท, ที่ดีควรจะตัดสินใจเคารพนับถือพระพุทธศาสนานะ แล้วก็วันนั้นเองคุณแม่ก็นําตัวคุณพานีไปที่วัดพระแก้วพร้อมดอกไม้ทูบเทียนให้ถวายตัวเป็นลูกพระแก้วมรกกค่ะพอเริ่มฟังธรรมแล้วก็เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาก็ได้ศึกษาธรรมแล้วก็ทําสมาธิจนเกิดอํานาจจิตขึ้นอย่างน่ามหาศาัศจรรย์ที่ได้ย่อมาจากหนังสือแล้วก็คําบอกเล่าของคุณสายรัตนสมบัตินะคะขอเพียงยกตัวอย่างในเรื่องนี้ให้เห็นว่า พระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าท่านเปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตามีแต่ให้คุณไม่มีให้โทษให้ร้ายใครแต่พวกทาลายพระพุทธรูปเพื่อหาประโยชน์ใส่ตนนั้นเหมือนถูกคาสาปค่ะถ้าได้มีโอกาสติดตามอย่างใกล้ชิดก็จะรู้จะเห็นว่าพวกนี้จะทำอะไรก็ไม่เจริญรุ่งเรืองมีแต่ตกต่ำเสื่อมซามลงบั้นปลายชีวิตก็พบจุดจบด้วยกรรมตามสนอง หากยังมีผู้ใดสงสัยในเรื่องกรรมก็ขอให้เปนนมัสการถามพระคุณเจ้าท่านเจ้าอาวาสวัดโพนิมิตรฝั่งทนบุรีท่านเจ้าคุณจะาอาวาสผู้ทรงคุณธรรมสูงพร้อมด้วยเมตตากรุณาคงจะประทานความรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วหลายเรื่องนะคะแล้วก็จะได้นมัสการพระพุทธ ร, รูปยืนสององค์ซึ่งอยู่บนกุฏิของท่านเป็นต้นเรื่องที่นํามาเล่าในวันนี้ เมื่อรู้เรื่องของกรรมดีแล้วจะได้มีโอกาสสำรวมสติตั้งใจเป็นสมาธิและระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณด้วยอำนาจแห่งกุศ ล, ลกรรมจิตใจเราก็จะผ่องใสเกิดความร่มเย็นเป็นสุริมงคลแก่ตัวเองด้วยหลักธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็จะได้มีความสุขสงบตลอดไปในชีวิตนี้ค่ะ